ว่าการทําจิตให้สงบฐานไม่ได้แปลว่าท่วมนะแต่หมายถึงว่าจิตใจของเราจะสงบได้มันก็มีเหตุหลายประการแต่สิ่งที่ทําให้สงบแล้วสงบไปเลยคําว่าสงบไปเลยหมายถึงว่ามันไม่กลับมาปุ้งซ่านใหม่ วันนี้เราก็จะมาศึกษาเรื่งของกรรมกันแล้วกันนะดีไหมมโนยิตินะในเรื่องยักษากรรมุจาอยากจะนแล้วกันในเรื่องของกรรมก็ไม่ใช่กรรมมือ น, นะแต่กรรมในที่นี้ก็หมายถึงว่าบุคคลใดจักทํากระทำอย่างไรก็ย่อมจะได้รับผลของการกระทําอย่างนั้นไม่ว่าจะเห็น ผลในปัจจุบันทันทนหรือว่าเห็นผลในร่วงเลยไปสักระยะหนึ่งหรือบางทีอาจจะคืบคลานไปถึงชาติต่อต่อไปแต่จริงๆแล้วคำว่าชาติต่อต่อไปเนี่ยมันเกิดขึ้นนะแต่ในปัจจุบันมันก็เกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นในขณะที่เธอมองไม่ค่อยเห็น ดนั้นสภาพที่เราจะมาไขาครวนหรือคิดใช้กำลังของคิดจะขุบยานมาใช้ในด้านยักถากรรมุตายานเจอจงวางใจอย่างนี้ก่อนนะคำว่าวางใจอย่างนี้ก็หมายถึงว่า ใจไปอยู่กับพระเอาใจไปอยู่กับพระพุทธเจ้าับเธอเคลื่อนจิตไปที่นิพพานแล้วก็วางใจกันไว้ที่นิพพานเลยเธอยังเคลื่อนจิตไปไม่ถึงนิพพานเธอก็จับเอากับพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งให้จิตใจเขาเราสงบสะกก่อน พอใจของเราเริ่มจะเชื่อมอยู่กับพระหมายถึงว่ามันไม่ทรายมันไม่อาใจไปไว้ที่อื่นมุ่งจิตอยู่กับองคตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งของอารมณ์เธอก็กําหนดจิตของเธอตอไปว่าแบบ น, นี้ขินเชื่อว่าความจริงจะปรากฏต่อเราหมายถึงว่าความรู้ยิ่งความเข้าใจยิ่ง นึกล่าวว่าความรู้แจ้งเห็นจริงจะปรากฏขึ้นต่อเราเพราะอาศัยบารามีคือความดีขององค์สเดสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่อาศัยความดีของเราตั้งแต่แบบนี้นะว่ า, าความจริงจะบังเกิดขึ้นต่อเราเพราะอาศัยสัพพัญญูใจยานหรือความดีขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้นเราจรึงนอบน้อมขอพระบารมีพระองค์ทรงมาเป็นที่พึ่งของข้าพระพุทธเจ้าว่านับแต่บัดนี้ทิ้งที่ว่าจิตคิดชั่วคิดจะละเมิดคำแนะนำหรือคำสั่งสอนของพระองค์ต่อข้าพระพุทธเจ้านั้นไม่มีเหล็กขาดตั้งจิตกระทำาวามดีตามที่องค์เสด็จพระชิ น, นสีบรมศาสดาต้องการ พึงมีแก่ใจของลูกปัตนี้ตลอดการตลอดสมัยขอองค์แห่งองค์สเสด็จพระจอมแตรบรมศาสาาดาหมายถึงว่าองค์พระบรารมีทั้งสามสิบทัานที่องค์สเสด็จพระทรงสวัสดีโสภาสมบมูเพ็นบารมีมาได้โปรดมาสกิจอยู่ในการกระแสของจิตของข้าพระพุทธเจ้าขอเดชแห่งความดีคือบุญบารมีที่ลูกเคยสะสมมา ทั้งสามสิบพัทขอบุญเหล่าเหล่านั้นจะเป็นเครื่องรองรับกระแสความพร ะ, ะ, ะเมตตาของพระองค์ตรงหลังไหลลินสู่ใจของข้าพระพุทธเจ้านบปัดนี้ พยายามดูจิตของเราสิคําว่าดูจิตดูใจเนี่ยคือดูอารมณ์จิตของเราก่อนว่ามันสงบไหมมันมีเรื่องฟุ้งร้านไปนอกเรืนกรอยอย่างอื่นเียแก่เราหรือเปล่าแต่ขอาเราแน่วแน่กับองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ม, มั่นคงไหมหากเราสามารถจะเห็นอริสตมานากายที่ปรากฏเป็นเครื่องยืนยันในอารมณ์ของเราได้เราก็ใช้กําลังป้าเป็นทิปดูสิ ว่าอาชีพมนกายหริษกายแท้ๆของเราปรากฏในจิตของเราเวลานี้พอมีความสว่างสวัยพอจะปรากฏให้รูปร่างมีแก่ความรู้สึกของใจของเราบ้างหรือเปล่าหากเราไม่เห็นอะไรเลยก็ใช้ความรู้สึกดูว่าใจของเรามีความรู้สึกออกมาสีอะไร ดูตรงสีของใจกันแล้วกันนะและเธอก็ยกสภาวะจิตของเธอเคลื่อนออกจากร่างกายไปเสียถ้าไปแล้วก็หันมาดูร่างกายใหม่ถ้าจงยกออกจากร่างกายนี้ไปก็ห่างออกจากร่างกายนี้ไปซะก่อนแล้วก็กลับมาดูร่างกายที่เราได้ครองอาศัยอยู่ ตั้งแต่เราจำได้เดี๋ยวนี้เราก็จำได้แต่าจะดูกลับอารมณ์ที่เราเคยติดอยู่กับร่างกายนี้จะเราเป็นของของเราเวลานี้ลองคิดซะใหม่วราคนตายแล้วนะเนี่ยคือร่างกายที่มันตายไปแล้วมันมีอะไรน่ากลับไปอาศัยอยู่บ้างไหมมีใครเขา ป่าถนัจะกลับไปอาศัยกับร่างกายที่มันตายไปแล้วหมดลมหายใจถ้ามันตายไม่สวยเนี่ยก็ไม่มีใครอยากจะกลับแต่ถ้ามันยัพอดูได้บ้างมันก็ไม่แน่ระดับบางคนยังบอกขออยู่ต่อขอต่ออีกหน่อยหนึ่งหน้าขอไปบอกลูกบอกหลานบอกสามีบอกภรรยาว่าเธอจงตั้งใจทําความดีกันนะอย่าทําความชั่ว เพราะความตายมันไม่ตายเปล่าบุญกรรมทำสร้างมันจะติดตามเราไปฉันไปพบมาแล้วหลังจากนั้นก็ตายต่ออย่างนี้ก็มีบ้างเราจะาแบบนี้บ้างัหมเอามาหลอกชาวบ้านั้ะสองสาครั้งนั้นแล้วกลับไปต่อนะแต่เวลานี้เราไม่ได้หลอกใครโดยเฉพาะตัวของเราเราก็ไม่ได้หลอกความรู้สึกของใจเรานะ เรามีความเชื่อมั่นตามความเป็นจริงว่าอิกไม่ช้าและอิกไม่นานนักหนอสภาพที่เราเคลื่อนออกจากร่างกายอย่างนี้ตั้งมีกับเราอย่างชิ้นเชิงแต่เวลานี้เรามีความรู้สึกเพียงแค่ว่าอาชิสตมะนา ก, การและจิตมันเคลื่อนออกจากร่างไปอยู่กับองค์เสดพระสมาสพระเจ้าแต่ยังมีความเชื่อมโยงในประสาทกับร่างกายเบื้องล่าง ที่เราอาศัยอยู่อย่างนี้ยังมีแต่เธอจงนิดลอนความรู้สึกของใจตรงนี้ออกไปเชื่อว่าถ้ายามใดประสาทกับใจมันไม่เชื่อมสัมพันธ์กันแล้วความทุกที่จะพึงมีกับเราไม่เกิดขึ้นแน่ยามใดที่ความรู้สึกของใจมันยังเชื่อมโยงกับร่างกายที่มีความจําบ้าง ร่างกายที่มันแปรรวนทําให้เกิดปัญจเจ็บปวดทรมานบ้างถ้ามันยังเชื่อมโยงอยู่อย่างนี้ทุกคือสิ่งที่เราทนได้ยากมันก็ยังมีต่อเรากับเราต่อต่อไปแต่ถ้าเมื่อไรมันกับเราขาดสึ่งกันไปเหมือนจะความตายมาเยือนเราเดี๋ยวนี้ทุกขเวทนาใ น, นสิ่งใดๆที่ทําให้จิตใจของเราเศ้าหมองยังไม่เกิดขึ้นมีกับเราแน่ อย่างนี้เราตัดสินใจเชื่อว่ามันเป็นไปตามนั้นไหมต้องตัดสินใจดูนะานถาว่าจิตก็เราออกจากร่างทุกอันเคิดขึ้นจากปรสาทที่รับรู้คือหูรับรู้เสียงตาหิตมีประสาทในการรับรู้เห็นภาพจมูกมีประสาทในการรับรู้กลิ่นลิ้นมีประสาทในการรับรู้รส ผิวกายของเรามีประสาทในการรับรู้เจ็บร้อนหนาวนิ่งแข็งแม้กระทั่งสมองที่ม่มีการสภาวะในการจดจําแม้ในร่างกายของเราก็มีคลื่นกระแสของธาตุที่มันแปรรวนไปตามกฎของปัามเป็นธรรมดามากบ้างน้อยบ้างไม่ถึงว่า่านุลมหนักไปบ้าง่านุลมเบาไปบ้างธาตุปลายอ่อนบ้าง่านุปลายแก่กล้าบ้าง ธาดน้ําน้อยบ้างธาตน้ําเยอะบ้างธาตุดินหนานแน่นใส่บ้างหรือเป็นเป็นทิศเป็นภัยบ้างหรือมันน้อยเกินไปบ้างมันก็ทําให้อารมณ์ติตของเรากระสับกระสายประสาทมันก็รับรู้ถึงความกระสับกระสายความคุ้งซ่านคือความคิดไม่สามารถประจิประต่อเป็นเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นมากมาย ทุกที่มันเกิดขึ้นจากเนืง่ายที่ติดเข้าไปอาศัยมันเป็นอย่างนี้แต่เมื่อจิตของเราหลุดออกจากร่างกายนี้ไปได้ไม่ว่าใครทางนั้นถ้าหลุดออกจากร่างกายนี้ไปได้สภาพที่ตาวมาทั้งหมดไม่ตา ม, มาด้วยอย่างนี้เธอว่าดีไหมล่ะดีที่เราไม่ต้องใช้ตาไปเห็นรูปที่ตาของเราอย่างนี้บางทีก็ต้องเจ็บ ต้องปวดต้องใส่แว่นต้องสั้นต้องยาวต้องเอียงต้องจีบปาฐะเราก็ไม่ต้องมาอาศัยลิ้นที่มานั่งรอรับรถตามที่เราปรารถนาบางครั้งก็ไม่ได้ตามความปรารถนาบางครั้งลิ้นมันก็ไม่รับประสาทรับรู้ในรถข้าพต่อไปเหมือนกับคนเริ่มมีอายุมากๆประสาทก็เริ่มด้านคือตายไปบ้าง แต่ยามนี้่าตุชิของเธอหลุดออกจากร่างกายนี้ไปเธอดูกายของเธอสิมันมีประสาท ร, รับรู้อะไรที่ทำให้เกิดทุกขเวทนาเมื่ออย่างร่างกายที่ปรากฏมีตอนมีชีวิตบ้างเอาความรู้สึกของใจของเราเข้าไปตรวจ ด, ดูซิมันมีประสาทเชื่อมโยงในการรับรู้อย่างนั้นไหมมันต้องใช้ไหมกายของเราเนี่ย มันมีหนังบางๆในการรับรู้ความรู้สึกร้อนหนาวเกินไปไม่อยากที่เป็นไม่อยากาการเป็นมนุษย์ไหมอย่างนี้อาจจะไม่เกิดมีหรือไม่มีเลยไม่ใช้คาว่าหลือดีกว่ามันไม่มีปรากฏอย่างนี้เลยจะถามว่าความรู้สึกมารู้ไหมรู้ใช่ไหมละ่ะถ้าไม่รู้ว่าสุขสบายเย็นสงบ เยียดนประการใดความสุขมันจะมีกับเราได้อย่างไรจริงไหมเธอจึงเคลื่อนสภาวะกายของเธอออกไปอยู่ถ้าเธออยู่บนนิพพานเธอก็สัมผัสสภาพบนแดนนิพพานได้ถ้าเธอเคลื่อนไปที่บนสวงสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งลอยขึ้นไปบนสวงสวรรษชั้นใดชั้นหนึ่งอาจจะเห็นเทวดาบ้างนางฟ้าบ้างหรือลอยสูงขึ้นไปอีกอาจจะเห็นใจของลมหรือ พระคมท่านอยู่กันบ้างท่านอยู่บนดนนิพพานก็ได้เห็นพระอริยะหรือพระอรหันต์บ้างพระพุทธเจ้ารับประเจกับพระเจ้าบ้างถามว่าท่านมีความรู้สึกรับรู้กับสิ่งที่กระทบกับตัวของท่านไหมไม่อย่างเทวดานางฟ้าเทเรงหุ่งใจไปขอความเห็นหรือความรู้จากท่านบ้างก็ได้ ลองนึกนึกถึงว่ามีท่านองค์ใดบ้างไหมหนอที่จะมาเกื้อกูลประโยชน์ในการทราบตามความเป็นจริงแก่ข้าพระพุทธเจ้าบ้างขอท่านองค์นั้นได้มาปรากฏเฉพาะหน้าให้ลูกได้เห็นตามความเป็นจริงได้ด้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะแล้วก็ดูที่ความรู้สึกของใจว่ารามีปรากฏไหมมีท่านองค์ใดามายืนให้เราได้มีโอกาสได้ซักถามปัญหาที่มันต้องการอยากจะรู้มีบ้างหรือเปล่า ท่านเป็นหญิงเป็นชายท่านทรงเครื่องแต่งองค์อย่างไรมีรักษมีแสงสว่างไหมหรือว่ามาในทุดธรรมดาธรรมดาพุงปิน้นหรือเปล่าภาคมาคาดคุงไหมก็สุดแลแ้วแต่ความรู้สึกที่ปรากฏในจิตใจของเรานะจะถามว่าพุงปิน้นภาคมาคาดคูุงก็ไม่ใช่เซวดานะสิอย่างนี้ก็ง่อไปนิดหนึ่งนะ เดดามันจะเป็นตั้งแต่งตัวใส่ส ด, ดานแหลมเปี้ยวตลอดเดวลาใช่ไหมเออไม่แก่พาให้ดูก็บุญตัวแล้วนะก็ลงองทําใจเขาเราถามท่านซิว่าท่านมาอยู่ที่นี่ท่านมีความรู้สึก ข, ของร่างกายหรืความรู้สึกที่ใจว่ามันเย็นสบายมันอุ่นสบายท่านอยากจะให้มันร้อนสักนิดหนึ่งมันร้อนดังใจท่านไหมแล้วอยากให้มันเย็นสักหน่อยหนึ่งมันเย็นดังใจท่านไหม มันมีอาการอ่อนนุ่มเมื่อท่านไปนแตะสิ่งของที่ท่านนั่งมีความรู้สึกมันอ่อนนุ่มสบายในในสิ่งที่ท่านรับมีบ้างหรือเปล่ามีใช่ไหมจ๊ะมีถ้ามีอย่างนั้นก็กแสดงว่าการรับรู้ของจิต กับสิ่งที่เกือ้อเกือ้ออำนวยความสะดวกคือบุญเนี่ยทุกคนยังต้องการสัมผัสในสิ่งที่อ่อนนุ่มใช่ไหมต้องการสัมผัสในอากาศที่เยือกเย็นสบายกําลังสบายไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปยังได้กลิ่นของหอมมีใช่มะเที่วดานังฟ้ายังได้กลิ่นของหอมจากดอกไม้แปลว่ากลิ่นหอมก็ยังต้องการเป็นที่ปรารถนาจริงไหมมี ใครจะบอกว่าให้เทวดาเราก็เราไปถามเราก็ขอบคุณท่านหน่อยนะขอบพระคุณท่านที่เมตตาสงเคราะห์เราขึ้นไปถามหลวงพ่อเลยหรือว่าเราขอบอารามีหลวงพ่อหลวงพ่อเมตตาสงเคราะห์มาปรากฏอยู่ใกล้ใกล้รูกได้เถิดพระพุทธเจ้าค่าพระพ่อมาก่อนเราใช่ไหมท่านต้องได้รับสมัมผัสดีกว่าเราแน่นะเรามาประเภทดำมานะ มึนมุดโมโม่ก็ยังโให้เห็นได้บ้างใช่ไหเราถามท่านดีกว่านะทำกำลังใจให้สบายและดูซิว่าความรู้สึกของเราว่าหลวงพ่อท่านมาปรากฏยืนใกล้ๆเรามีไหมหรือว่าท่านองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ที่เรามีความเคารพเริ่มใส่ท่านที่ท่านอยู่บนแดนนิพานขอสักองค์ชนะขอเม่ตามีตาปาใีจากท่านถ้ามีความรู้สึกว่าท่านมาเซก็ลงทูลถาม ตามความเป็นจริงที่ว่าหลวงพ่ออยู่ที่นี่หรือท่านอยู่ที่นี่หลวงพ่อยังมีโอกาสในการกรับรู้กลิ่นหอมหอมชื่นใจสุขมีไหมหรือที่นี่ไม่มีกลิ่นอะไรเลยที่มันชื่นใจเลยเจ้าคะมีไหมล่ะมีถามว่าหลวงพ่อสามารถใช้คามเป็นทิพย์คือตาที่เป็นทิพย์เห็นของสวยของงามหลวงพ่อชื่นใจไหมเจ้าคะชื่นใจไหม ก็ยังมีอารมณ์ชื่นใจถามหลวงพ่อเวลานั่งลงไปในในสถานที่รอรับเกิดที่สมนานกายของพ่อต่างบ้างเตียงบ้างโต๊ะบ้างอะไรก็ตามแล้วท่านที่ประทับของท่านบ้างท่านมีความรู้สึกมันอ่อนนุ่มอย่างนี้มีความรู้สึกเกิดขึ้นกับองค์ท่านบ้างหรือเปล่าพระพุทธเจ้าค่ะมีไหม่ะมีแล้วเธอดูความรู้สึกตรงนั้น กับความรู้สึกของเราที่อยู่ในโลกมนุษย์มันต่างกันไหมไม่ต่างที่ฉันบอกไม่ต่างก็เพราะว่าเราก็ปรารถนาที่นั่งที่มันนุ่มๆสบายใช่ไม่มที่ไหนมันนุ่มสบายก็นั่งมันสบายถ้ามันแข็งเกินไปก็เจ็บก้นกุดกลนเพาะไปไหมเจ็บตูดกันแล้วกันนะก็นั่งไม่ได้นานใช่ไม่มให้มันนุ่มขนาดไหนก็คงนั่งได้ไม่นานา น, นะเพราะมันเว้หลัง มันไม่ไม่ก้นมันก็ปวดหลังเราก็ยังต้องการกลิ่นที่มันของหอมชื่นใจไอ้เหม็นเหม็นนี่ก็ไม่ชอบก็ยังมีกล่าวจริงไหมล่ะมีเราก็ยังต้องการใช้จมูกนะั้นถ้าจมูกมันประสาท ร, รับรู้ไม่ได้เพราะโกโรธใช่ไหมจมูกแหงซวยต้องไปหาหมอนะไปเจาะรูเส้นใหม่ไปเติมเสื้อประสาทนะไม่งั้นฉันไม่รู้เลยว่ากลิ่นอะไรต่กลิ่นอะไร นี้เราลำคาญไหมเราก็ลำคาญแม้ประสาทตาของเราเคยเห็นได้เป็นตัวเป็นตนตชัดเจนแจ๋วแวววันนี้ประสาทตามันเสือ่อมวันนี้มันตัวอะไรก็ไม่รู้มองหน้าคนไม่ค่อยชัดแล้วเอ๊ะมันจมูกยาวหรือจมูกสั้นอะไรทํำนอง น, นั้นนะมันมันชักแรกไม่ค่อยดีใช่ไหมก็ต้องไปหาหมอไม่มีใครเลยแม้แต่สัตว์ใานจะไม่มีความรู้สึกต้องการอย่างนั้น นั้นผลแห่งความต้องการคือความสุขจึงเกิดขึ้นมีกับท่านผู้มีความเป็นทิพย์ไม่ว่าท่านจะอยู่ในสงวงสวรรค์หรือพมรโลกแม้แต่สิ่งผ่านมีเหมือนกันหมด้าจจะจะถามว่าแล้วมันไม่ใช่กิเลสหรือถ้าคิดอย่างนี้ก็กลับไปลงอาวีจีใหม่อีกหลายหลารอบนะยังง้อเกินไปที่จะไปนิพพาน ใครๆครมันก็ปรารถนาสุขเกลียดทุกข์ใช่ไหมตามความเป็นจริงนะแต่ในโลกมนุษย์อะมันทำไม่ได้ไอ้ที่มันอยากจะได้หอมมันถึงต้องกองวลตวายก็ะสับกระสายยังเกิดการกระทำขึ้นมานาน า, นาประการจริงไหมละ่ะไอ้ที่มันอยากให้กินหรือว่ารสชาติมันกงมกลม่อมอร่อยและต้องการร่างกายมันชุ่มชื่นเป็นสุข มันต้องกระสับกระส่ายพยายามจะหาเครื่องอานวยความสะดให้เป็นอย่างนั้นมากมายจริงไหมละ่ะถ้าไม่ได้ดังใจสทุ์ไม่มีก็ต้องผลหวาให้เป็นทุกข์สรุปแล้วมันก็เป็นทุกข์เพราะเราต้องการสป็นสุขแต่เราก็ไม่เคยได้อะไรกลับมันเลยครั้งแล้วครั้งเล่าเธอจงดูกระดูกของเธอสิว่ามันตองไปยมเพืิโลกมนุษย์ของเธอแะ มันกองสูงขนาดไหนมันซ้อนๆซ้อนๆขึ้นมาน่ยป้นบอกบอกถึงว่านี่แหละที่เธอได้เคยต้องปรารถนากินน้หอมไอ้ลังกายอย่างนี้เนี่ยที่เธอปรารถนาให้มีรสชาติอร่อยไอ้ลังกายแบบนี้เนี่ยที่เธอต้องการให้ตาเธอตาหวานมันดีใส่น้ำตาลลูกตานะตาหวานเยิ้มหรือตาไม่ต้องใส่แว้นตาตาไม่เขไม่เหละตาไม่บอดตาไม่มีเป็นต้อ อะไรที่ปาฏานแม้แเรายัางต้องการให้ใจของเราเนี่ยสามารถจะสัมผัสสิ่งที่มากระทบเราเย่าตา่ำตามความปรารถนาก็ไม่เคยได้สักชาติได้เยงเดียกระดูกที่เหลือนะที่เหลือก็อกระดูกพอเราดูกระดูกมันยังเหลือต่อไปมันไม่เหลือกระดูกอ่ะมันเป็นผงพอนานาจากผง ม, มันก็สลายสิ้นไปเหลือแต่ความว่าง คือไม่มีอะไรเลยทีนี้เจอมีความรู้สึกรู้อย่างนี้เข้าใจอย่างนี้แล้วยังจะมาติดความยินดีในการเกิดเป็นมนุษย์อีกไหมมนุษย์เป็นของดีหรือมีความรู้สึกข้าใจว่าเป็นของดีต่ อ, อแก่เธอไหมถ้ามนุษย์มันดีถ้ามันเป็นเมื่อยางที่เทวดาเป็น เป็นมาอย่างนางฟ้าเป็นหรือว่าอย่างพระอาริยะที่อยู่บนแดนนิพพานเป็นอย่างนี้มันก็ไม่น่าจะจากโลกไปใช่ไหมขออยู่ให้มันเป็นอย่างเนี้ยมันสบายก็ตาเราไม่ต้องปวัเสื่อมลิ้นของเรารับรสไม่มีคำว่าเสื่อมกายของเราสัมผัสจากไหนก็ได้บอกเอาร้อนนิดหนึง่งมันก็ร้อนหน่อยหนึง่งเย็นหน่อยหน้ามันก็เย็นหน่อยหน้าไม่ต้องอาบน้ําปะแป้งนะ หนแม้แตประสาทอื่นๆที่มันให้ประโยชน์ก่เราตามที่ความฝานชนามันก็ไม่เคยให้ได้เพราะว่าเป็นกฎคำว่ากฎคือกฎเกณฑ์เพามันเป็นปกติคือไม่เคยขึ้นแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลางแล้วก็ต้องสลายสิ้นไปในที่สุสดเมื่อย่ากที่เราเห็นภาพมันตะคู่เนี้ยอันนี้เป็นกฎของปัมเป็นธรรมดาใช่ไม่มใช่นี่อย่าไปพูดเรื่องกรรมนะ เธอทำใจอย่างนี้และเธอวางอารมณ์เสียวางอารมณ์ทิ้งความต้องการการเป็นมนุษย์นี้เสียแล้วก็รักษาใจของเธอว่าเวลานี้ขออยู่ใกล้องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขออยู่กับหลวงพ่อขออยู่กับพระอริยะขออยู่แดนที่มันมีสภาพกระทบใจตามความปรารถนาไม่ถึงใจอยากจะอุ่นจะเย็นอยากจะมีความรู้สึกว่าได้กินหอมเชื่นใจมาจากไหนก็ตาม แม้เราจะนั่งในวิมานของเราหรือว่านั่งในวิมานขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราฝ่ารรเนียรที่ได้กลิ่นหอมเีลินใจกลิ่นนั้นก็จะปรากฏทันที <sh arp ina> พราะที่นี้ไม่มีจิตต้องทําอะไรนะเป็นไปตามอัตโนมัติพอจิตคิดครบบรรเส้นปั๊บ ความสุขมันจะเป็นอย่างนี้นิพานเป็นสุขอย่างนี้สุขจงที่ว่ามันสมกับความที่เราปราัถนานมานานแสนนานโดยที่เราไม่ต้องไปคน้นไม่ต้องไปพยายามสร้างมันขึ้นมาเพื่อมาบรมเบรยให้ประโยชน์กับความสุขที่เราต้องการจะได้แต่สุดท้ายเรากลับไม่ได้อะไรเลยตอบแทนว่างเปล่าเมื่ออย่างที่เห็นวันสักครู่เนี่ย น, นะวันสูญสิ้นเปล่าประโยชน์ไปหมดเลย แต่สิ่งที่มันเกิดกำฟามชั่วตามมาคือในขณะที่เราอยากได้มันก็มีกำฟามชั่วแต่มาถ้าเราอยากได้มากไม่มีเงินก็ขโมยอยากกินไอ้นั่นอยากกินนี่รสชาติอร่อยดีเขาบอกมันอร่อยดีก็ต้องไปฆ่ากินตายแล้วก็ไม่อร่อยคือเอาไปเป็นเป็นประทับไม่ได้รสชาติมันได้ถึงถึงเล่นมากกว่า เขาว่ากันอย่างนั้นใช่ไม่มอ่ามันก็ต้องสร้างกรรมต่อไปการเสร็จสมในการสัมผัสมันชื่นชมยินดีจังเลยก็เกิดต่อไปถ้าเราไม่ทําให้สิ่งเหล่านัน้นเกิดขึ้นดังแจนของเราได้ถทำไมพูดโกหกยากอดแน่ๆจริงไหมไม่มีใครเชื่อเราเราเราต้องโกหกเขามันจะได้มา ใครมันสนุกสนานสนามันต้องเมานะมันถึงจะมีความกล้าใช่ไหมกล้าทําความชั่วได้ง่ายนะพอจัดจะเฉือนคอไม่เมาทําไม่ได้กรอกมาสักไห้ก็แล้วกันนะทีนี้เห็นคอรคนคอเป็ดคอไก่เลยสบายไม่รู้อีหน่อยอีเน่ทบได้เท่านั้นแหละใช่ไหมเพราะขาดสติกรมความชั่วที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้มันจึงเป็นตัวสะสมทับ ผมให้เธอไม่สามารถแจ้งคือรู้แจ้งตามความเป็นจริงได้เพราะกรรมเหล่านั้นมันจะมาขัดฝังความรู้ของเธอความเข้าใจของเธอขัดฝางกระทั่งการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความ ร, รู้ความเข้าใจของเธอทําไมคิดว่าไม่ค่อยมั่นใจนากาักทูลถามพระพุทธเจ้าสิว่าจริงหรือเปล่าพระพุทธเจ้าค่ะ ไม่ล่ะพวกรราความโทษที่ทําไว้เหล่านั้นนั่นแหละอันนี้นมันยังของน้อยถ้าหนักไปกว่า น, นั้นคือผ้าพ่อค่าแม่ทำร้ายพระพุทธเจ้าถึงข้อพครัวหิตบ้างหรือโยโย่ให้สงแตกกันบ้างทรรํากรรมอนิจกรรมไปถึงว่าติดต่อจะเป็นอาจินเป็นปกตินะกรรมจากที่ของเล็กเล็กก็กลายเป็นของหนักได้เหล่านี้แม้จะการประมาทรสนัทรายบ้าง หรือเอาของส่งไปใช้บ้างทำลายของส่งบ้างกรรมมันก็หนักมันก็กั้นความเ พ, พืพฤติปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความรู้แจ้งเห็นจริงได้เธอจริงบ่นว่าทําไมเราจงทำอารมณ์ไม่คืบหน้าบางครั้งเราตั้งเท่ า, ามันจะดีแล้วมันก็ไปหยุดทึกถ้ามันเต่บขึ้นไปอีกนิดนะเราคงจะทะลุเพดานหมายถึงว่าความเข้าใจของเรานะ คงจะเข้าใจแจ่มแจ้งมาไปกว่านั้นอีกมันไปหยุดจึดอยู่ตรงนั้นแหะไม่ไปจะแล้วบางทีมันไม่ฝังเท่านั้นมันก็ฝังตั้งแต่เราเริ่มนั่งไม่ให้เราปวดหัวก็ปวดขาไม่ปวดขาก็ปวดท้องทาไมปวดท้อง ม, มันก็ปวดอย่างอื่นพอละมานมันไปเรื่อยๆถ้ามันฝาเท่านั้นไม่ได้มันก็จะกวนอารมณ์ไอ้เสื่อฟุ้งซ่านอย่างนั้นคิดเรื่องนี้บนเรื่องนู้นไปจิบาถทะมากมายกวามชั่วแม้แต่เล็กน้อย ก็ให้ผลองค์เสดพระทศพลบรมม า, าสาาดาสงตัดจริงในปัจจุบันในาชาติไม่ต้องจะรอเอาชาติไหนนมาสะสมหรอกนะในชาติปัจจุบันมันก็สามารถจะกัน้นผนทางที่เธอจะเดินเข้าไปถึงความรู้แจ้งคราว น, นี้เมื่อเราพลาดไปแล้วจะทำอย่างไรทำไงดี哟 แล้วไงดีพลาดไปแล้วนะทำมาต้องเยอะนะทำมานับอสงไขยกลับไม่ท้วนนะทำมาต้องต้องเยอะอาจารย์เรามองเป็นเบื้องล่างว่าสัตว์เราฆ่าเท่าไรไก่เท่าไรเป็ดเท่าไหรหมูหมากาไก่เท่าไหรงูเท่าไรยุงเท่าไร่มดเท่าไรสัตว์เล็กสัตน้อยเท่าไรทำมารวมรมกันทั้งโลกนี้พอปั้นเป็นโลกได้สักกี่ใบ แล้วเราฆ่าคนเท่าไรฆ่าตั้งแต่เด็กยันคนแก่ประมาณไหนเท่าไรในกระเป๋นในหลายหลายโลกแล้ ว, ลวเราขโมยของเข้ามาเท่าไร่ดูสมบัติที่เคยเขโมยมาสิอะไรบ้างเยงอะขนาดไหนเนีย่ยเราเก่งเหมือนกันนะมาหาโจร น, นะปนไดขนาดนี้เนี่ยเก่งเหมือนกันนะข้นแหลก้นลานใช่ไหม เนะสภาพอย่างนี้มันจะไม่มาฝาังเราเป็นไปไม่ได้นะกฎของกรรมเน้นเพียงเล็กน้อยมันก็ให้ผลอาศัยที่จิตใจของเธอยังมีกุศลบ้างดูความฟังชั่วแล้วมันอเนกอนาจัยนะดูบุญแล้วบ้างดูมันชื่นใจนะว่าเราสร้างสร้างมาเท่าไหร่ สร้างองค์สเสลเจพระจอมแต่ปรรมม า, าสักษาดาไว้ในพระศาสนาตั้งแต่สเสลองค์ปสมจนถึงองปัจจุบันเราสร้างเขาพุทธรุปไว้เท่าไหร่เราร่วมสร้างโบสกับเขาเป็นเจ้าภาพกับเขาบ้างร่วมกับเขาบ้างคนอีกขนตายบ้างโมทนากับเขาบ้างโบสถ์เขาเราที่สร้างไว้สัางารการงเรียนสร้างไว้สถานที่เป็นของสาธารณประโยชน์เราสร้างไว้มันมีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยปันในหลายโลกเหมือนกันใช่ไหมนี่ก็ภูมิใจหน่อยนะ เราเคยช่วยชีวิตของสัตว์ในร้านให้เขามีความพ้นทุกข์จะเป็นเหยื่อของการถูกฆ่าบ้างถูกทาร้ายบ้างสัตว์เหล่านั้นปรากฏให้เราดูสิว่าเลยเคยเสพปล่อยท้างปล่อยมา้าปล่อยองวปล่อยควายปล่อยหนูปล่อยเต่าอะไรอย่างนั้นนะว่ามีจํานวนสเท่าไหร่เสียไหมเสีย <Yeah. S 2> แล้วก็บอก น, น, บ <laughs> นะนี่พยานบุญนะทนี่พยานบุญนะกีนนี่พยานบาป อแข่งกันหน่อยนะใครจะวิ่งหนีเร็วกันใช่ไหมเราก็ทํามาตั้งเยอะตั้งแยะคราวนี้ว่าถึงเวลาปัจจุบันเนี่ยหลวงพ่อท่านเคยสอนบอกว่าเกิดมาชาตินี้เกิดมาเพื่อทํากําลังใจให้เต็มอย่างเดียวไม่จะสร้างพระให้เต็มโลกไม่จะสร้างโบสถ์ให้เต็มสถานที่ ไม่จะมาปั้นคนให้เป็นอย่างนู้นอย่างนี้เกิดหนอ่อเกิดตอเกิดดอกเกิดจีปาถะแยะๆฮะกลัวจะไม่ไม่ดุลสมดุลกับคนตายนะในสช่วยสร้างคนด้วยเรื่องอะไรก็ได้จิปาถะมากมายแล้วลองคิดตามความเป็นจริงว่งจริงไหมจริงนะหลวงพอ่อท่านบอกว่าเราเกิดมาชาตินี้เพื่อทํากําลังใจให้เต็ม เธอจงจําคํานี้ไว้ให้มั่นใจนะเพราะเธอเกิดมาชาติเนี้ยที่เกิดมาครั้งเนี้ยเกิดมาเพื่อสร้างกําลังใจให้เต็มกําลังใจเนี่ยมันไม่ได้ไปออกตะตงังแต่ว่ามันไม่ต้องใช้ตะตงังมันไม่ต้องไปแบกไปหามเพียงไรใช้กําลังใจจะทฟํฟาร์มดีทากําลังใจเพื่อสงบจิต บังคับจิตของความชั่วที่มันขุดขึ้นมาในใจให้มันระงับแล้วเวลาจะไม่ทําความชั่วมานอย่างที่จิตมันมันร้อนออกมาใงใจเราอะไม่จริงว่ามันจะดันให้เราไปทําชั่วละมันจะดันให้เราไปพูดชั่วล่ะมันจะดันให้เราคิดชั่วละเราลองใช้กําลังใจเข้าไปประหัดประหารมันซิว่าบังคับมันได้ไหมฝืนมันได้ไหมอย่างนี้เอาเงินไปซื้อมันไม่ได้บอกเองเอาเงินไปขจารเองหยุดที่ถอะวะ ข้าพิเศษคิดเรื่องนี้นะเอาเงินไปจะเอาเท่าไหร่ล่ะถ้ามันบอกว่าสร้างทองที่สร้างพระทองคําอ่ะเอาเพราเสียงสูงถึงยอดลมวโลกนะเอาฐานมาจักราวาลนี่ทำได้ไหมล่ะใครทําได้ขนาด น, นี้เองก็ชนะข้าไม่ได้เพราะเข้าจบอกว่ากูไม่เอา พูดอย่างนี้นะจะบอกว่าอยาไปไหมเธอฟังเขาพูดสิมันอยากว่านี้อีกนะลองฟังเทวดา น, นางฟ้าที่เป็นคนพลานไนมะ่ไดกว่างโง่นะหรือว่าเป็นพญามารพวกมารเหล่ามารนะพูดทำลายความดีนะลองไปฟังน้ำเสียงที่เขาพูดออกมาที่เราบอกว่าช่วยหยุด อย่าให้จิตของฉันคิดอย่างนี้ฉันจะสร้างขนาดนี้อย่างนี้ให้เธอเขาคงบอกว่ามึงทำตัวมึงคนเดียวไปเถอะกู้ไม่เอากับมึงหรอกไม่มีประโยชน์เธอจะลงทุนขนาดไหนเธอก็ไม่สามารถจะยับยัง้งที่เขาจะยุแยงจะแขงดึงจิตของเธอพุ่งล้าลงนรกเธอจะยับยั้งได้อย่างเดยคือกําลังใจที่มีธรรมคือความดีที่เกิดขึ้นในจิตของเธอเท่านั้นจริงจะเป็นผู้ชนะ เร่องนี้เข้าใจไหมล่ะถ้าเธอยั้งได้กําลังใจของเธอเธอคิดว่าฉันไม่ทําเพราะฉันไม่ต้องการมีความชั่วถ้าสอนว่าการคิดอย่างนี้เป็นความชั่วถ้าไปกระทำแล้วมันจะเกิดโทษตามมาอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นเป็นของชั่วเราไม่ทําเด็ดขาดเวลานั้นอารมณ์มันจะหยุดทันทีถ้าเราจะเห็นภาพเราจะเห็นว่าคนเหล่านั้นหรือพญามารหรือมาเหล่านั้นแกก็พอตกเดินกลับไปอย่างคนที่หมดอะไรเอาตายอย่าง ไม่ถึงว่ากูพแพ้มันแล้วเว้ยยกนี้กูแพ้มันอย่าเพ้อนะออกูเอาอีกใช่ไหมเอาอีกฉันไม่ได้พูดเล่นๆ น, นะถ้าเธอมีทิศถกยานจับใส่เธอดูเอาก็ได้ว่ามันจริงไปตามนั้นใล่รนไหมเวลามีมนโนไม่ยึที่คือมีจิตถูกยกยนพยายามหมั่นใช้นะ มันใช้ดูใจเรามันใช่ว่าเวลาต้องเกิดอารมณ์มันถูกต่อต้านให้หันเหไปทําความชั่วเธอต้องใช้กําลังใจของเธอให้เป็นถ้าสู้ไม่ไหวเอาบุญเป็นข้ออ้างอ้างบุญก่อนนะบุญในปัจจุบันทันด่วนทําไม่ทันอ้างของเก่าแล้วแหละขนมาเลยมีเท่าไหร่ขนมาให้หมดมาอย่างพยาธุลนะนะขนไปเลย มันขนมาเท่านู้นกูขนมาเท่านี้มาชั่งเันดูเสิวูเยอะกว่ามึงอีกอ่นะแล้วขนมาเลยเรามีเท่าไรขนมาเรานึกถึงว่าพระเราสร้างมาขนาดนั้นมากมายนับประมาณไม่ได้เพื่อสนับสนุนคุณความดีขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์ของหมู่คนทั้งหลายจะได้มีที่พึ่งทางใจเพื่อชวยแทศ เ, เทวดานางฟ้าจะได้มีเคื่องสักการะเพิ่มบา ร, รมีคุณธ ร, รรมวามดีของท่านทั้งหลายเพื่อคนทั้งหลายได้มองเห็นพระสรุปองค์นี้ อย่างเร็วตายไปสวรรค์ความมั่นคงของจิตนี้หน่อยตายเป็นผลบัโลกถ้ามั่นคงในคำสั่งสอนพ ร, ระองค์เสด็จบรมมาผูกไปที่ผ่านบุญของท่านนั้นหมายถึงว่าเราตั้งใจธรรมเพื่อสร้างพระพุทธรูปเป็นองค์แทนของพระองค์ม า, มามากมายขนาดนี้ขอบุญทั้งหมดจงมาเป็นพลังของจิตเราก็อ้างนั้นเลยนะขอจิตของข้าของเจ้าจงเป็นผู้ ร, รู้ยิ่งเข้าใจแจ่มแจ้ง สามารถจะประหัตประหารอารมณ์ความทั่วที่เกิดขึ้นในการระบัดเดี๋ยวนี้เท่านั้นแหละหลุดยกแรกนะกำแพงไว้ก่อนนะอย่างนีว้วมันมาอีกเราก็ต้องอาศัยปัญญาคือใช้กำลังใจทำกำลังใจให้เสร็จวม่าเราตั้งใจปัจนานเกิดมาชาตินี้เพื่อหวังอะไรถามตัวเราเราปรัจฉานเนี่ย ทำบุญไอ้ทานบารนะอะไรเราตั้งสัจจะวาจาจะทำความดีแล้วทําเพื่ออะไรเราพยายามให้ทานเขาเนี่ยให้ของบ้างให้บุญเป็นทานบ้างเราให้เพื่ออะไรเร า, ารักษาศีลเนีรักษาศีลจะทำไมทำํำไมเพื่ออะไรเราพยายามเจริญความเมตตาเพื่อคุณสงเคราะห์คนอื่นเพื่อเป็นสุขเราทำํำไปเพื่ออะไรเราหวังอะไรถามเราถามให้กําลังใจมันเต็ม พอมันมีอารมณ์ความท่วมเคยขึ้นอย่างที่คิดแต่ก่อนหน้านั้นก็เดี๋ยวมันก็มีปัญญาเกอดขึ้นรู้เข้าไปแยกแยะและมันก็ถอยหลังหายไปเลยอาจจะหายไปสักสองสาวันเดี๋ยวมันโผล่ขึ้นมาใหม่อันนี้ก็เด้ยปกติธรรมดานะเพราะฉะนั้นผู้ไม่ประมาทท่านจึงเจริญอนาปานสติคือรู้ลมหายใจเข้าออกหรือประคับประคองสติให้เป็นปกติเสมอ มีความรู้ตัวอยู่เสมอว่าจะต้องตายเป็นอารมณ์ท่านจะไม่ประมาทในการสร้างความดีทุกขณะจิตของท่านบุคคลเหล่านั้นก็มีแต่พระอริยะเท่านั้นเนี่ยจึงจะรอดพ้นจากกระแสของจิตอันฟุ้งซ้านไปในทางที่ชั่วหมายถึงว่าชั่วดับหมดแล้วคําว่าเชื้อแห่งการที่คิดชั่วไม่มีสําหรับท่านผู้นักอีกแล้วหมายถึงว่าเป็นเสกะ เป็นพระอริยะบุคคลช่านสูงใช่ไหมคือพระอาหารหันต์ก็พระอาหารหันต์เป็นผู้อะไรก็คนธรรมดาแต่การกระเธอนิดเดียวตรงที่ว่าสติของท่านนะ่ะคลองใจเป็นปกติเป็นพวกไม่ประมาทในการมีปัญญาเป็นเครื่องรัตนิตรลอนกิเลสเป็นปกติเวลาขยเนมันเกิดปุ๊บท่านจะตัดปั๊บ เหมือนมากระทบพมันกระโดดตั๊บกระทบพวกกระโดดตูตั๊บถามว่ากระทบมันไม่รู้เลยหรือไม่มีพระอรหันต์ที่ไหนไม่รู้เรากระทบแล้วไม่รู้นะดังนั้นกองพระอรหาานันต์จักประเภทว่าประสาทหมดไปแล้วใช่ไหมประสาทหูก็ดับประสาท ต, ตาก็ไม่มีประสาททีกระจืดเนี่ยนะทุกอย่างไม่มีอะไรแล้วนะกระทบกูไม่รู้มัอนหินเลยไม่มีเราที่พูดในหลวงพ่อพูดไว้นะเมื่อเดฉันพูดนะท่านพูดไว้อย่างนั้นนะ มันบอกพ่าอาหารหันต์ไม่ใช่หัวโหวต่อนะยังไม่มีความรู้สึกอะไรเลยถ้าคูคนธรรมดาที่มันแตกต่างคนธรรมดาทิศเดียวตรงที่เธอคิดของเธอกับท่านคิดเนี่ยมันต่างกันสติที่เธอมีกับสติที่ท่านมีมันต่างกันคือสติบริบูรณ์สมบูรณ์จึงสิ้นอย่งความเชือ้อไอ้เชื้อที่มันจะได้เกิดโทษทางจิตเนี่ยที่จะปรุงแต่งมันต่อไปมันไม่เกิดแต่สำหรับเราอ่ะ พอ ม, มีเสื้อผ้าเพื่อเข้ามาในจิตมันก็ปรุงแต่งต่อไปทําให้เกิดได้ถ้ายับยังไม่ทันมันก็ออกมาทางวาจาถ้ายำหน่มันก็ทางการกระทําใช่ไหมพอเห็นชัดไหมจำไว้นะนั้นจำเล็กน้อยที่จะไม่ผลแล้วไม่มีหรอกท่านจาึงมาหยุดเสียหยุดจงอย่าได้กระทรําความชั่วแม้ความชั่วเล็กน้อยก็อยา่าฝืนทำ และก็อยากตามนึกถึงความชั่วที่ทํามาแล้วไม่อย่างวันทีครูเนี่ยเราดูกันดูเราไม่ดูบาปอย่างเดียวเราดูให้มีภาพความภาพภูมแใจว่านี่แหละกูแหละทำมาแล้วฮ <c oughs> ใครจะบอกราคาขโมยที่ไหนมาสู้เราไม่ได้เราคงมาเป็นโลกนะเต็มโลกเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเต็มเยอะแยะไปหมด เรานี่แหละจอมใช้วาจาเป็นฟ้อนโมหกต่อแหลน่ามากมายหลอกเขาว่าเยอะแยะเราก็จะฆ่าเราจะเอาซักเราจะมาพิจิตในกรรมทั้งนั้นแหละเราทั้งนั้นน่ะพันน้าเล่ามหาสมุทรทั้งสี่ก็ไม่เท่าดื่มมาหมดแล้วยยออะไรที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงกินมาทั้นั้นแหละ แต่เราก็สร้างความดีด้วยไม่ได้ทําแต่ความช่วยอย่างเดียวจริงไหมละ่ะในคำความชั่วเราไม่ตามได้ิ่งมันเลิกบอกแล้วแล้วไปหนีอย่างเดียวนะตั้งใจหนีอย่างเดียวต่อเข้าใจไหมต่อใจกันเลยเอ้าง่ายๆเข้าใจก็เลิ ก, เนะเ ก, เลกสิทำไมเข้าใจก็พูดต่อนะใช่ไหมใช่ไหมพูดในแคใ่ให้เขาให้เข้าใจเท่านั้นนะนะ ก็ไม่ได้ไปดูยักษาตาอมุตาอยางแบบที่เขาดูกันแล้วนะดูอย่างนี้มันดูกำไหมละ่ะดูนะก็ดูกฎของกรรมเหมือนกันแต่ให้เธอเอาไปคิดคิดเจรนาจงจำไว้ว่าเกิดมาเนี่ยต้องการอย่างเดียวคือทำกำลังใจให้เต็มจำไว้แค่นั้นแหละ ทั้งชาติเกิดมากี่ชาติก็เพื่อจะสร้างกําลังใจเท่านั้นแหละแต่สมัยก่อนเราไมา่ได้มุ่งเรื่องกําลังใจแต่มันเรียกว่าทําไปเพื่อมีผลคอยได้จริงต้องค่อยๆสันสกมาสิเลนิตสิเลนิสสิเลนิตบางชาติไม่ได้อะไรเลยมันก็ได้กําลังใจทําความชั่วเนะ่ยเต็มในด้านชั่วแล้วก็เต็มด้านดีไม่เคยเต็มใช่ไ่มมันก็บกบกพร่องเหมื้ว่าเราบางชาติเรามีโอกาสเป็นมหาเศรษฐีจะจิตยินดีในการให้ทาน แล้วก็มีกำลังใจในการให้ทานแต่มันก็ยังสู้คนที่ยากจนเขยนใจที่เขาไม่มีอะไรจะให้แต่เขากล้าสละออกไปให้ได้อย่างนั้นกำลังใจเต็มกว่าจริงไหมก็ดูอย่างพระพุทธเจ้าของเราเมื่อสมัยที่ทรงสละห้าชิ้นอันกล่าวว่าเป็นผ้าทีริ้วอะกับมหาเศรษฐีเนี่ยมีความเพียรพร้อมทุกอย่างที่สามารถเอาเข้าไปในกองกรินได้ แต่พระองมีแต่ผาาชิลิ้วอะ่ะผมกายอีกชิ้นเดียวอะ่ะชาวชิ้นนี้ไปแรกอะไรเขาได้บ้างไม่ถึงร่านจันนะหมดชนิดร่านจันแล้วนะก็ได้กําลังใจที่องคต้องการปฎถนาแห่งทานเพื่อจะปฎถนาพระโพธิญาณ น, นะในอนาคตไม่ใช่ตรงต้องการเป็นใหญ่คือต้องการเป็นพระพุทธเจ้าแต่ต้องการจะช่วยคนให้ค้นจากกองทุกข ที่เรามีทุกอย่างนี้ก็เพราะเรามีร่างกายอย่างนี้ต้องคิดอย่างนั้นนะไม่ใช่อยากโก้อย่างเดียวเป็นพวกผู้แต่เจ้านะก็ได้ได้เข็มเล่มเดียวใช่ไหมได้กลุ่มเดียวอย่างนั้นเนี่ยเขาเต็มแขนเต็มใจให้หรือเปล่าไม่รู้นะฮือเอาเห็นความดีคือตั้งใจดีเขาก็เลยให้แต่ถ้าที่ได้ฝืนนั้นคงไม่ได้หลักคาเข็มหรอกนะใช่ไหมแสดงว่าต้องเก่ามาก เก่าแล้วเก่าอีกท่านคงมีตัวเดียวเท่าไหนั้นใช่ไหมใสจงขานแล้วลิ่งแล้วในสมนองนั้นนั่นแหละคราวนี้ท่านก็ต้องเอาใบไม้มาเย็บมาปิดป้องกันไว้เท่านั้นแหละแล้วก็ไปเอาข้าผืนนั้นแหละไปแลกเข้ามาได้มาไม่ใช่มีแต่พระองค์ยังเพียงองค์เดียวที่ทําแบบนี้แม่นผู้เป็นผู้เท่าตาเท่ากับหญ่เท่านะผู้ น, <laughs> นี้ก่อนแล้วนะคนแก่ใช่ไหม ต้องเรียกวัดท่านแล้วนะสองท่านเนี่ยท่านมีเสื้อผ้าเป็นชุดเดียวไม่ถึงว่าสองคนมีชุดเดียวก็ต้องแลกกันใส่เคยฟังใช่อ่าเวลากลางคืนอีกคนก็ต้องอยู่บ้านไม่ถึงว่าถ้าจะไปทำงานอีกคนก็ต้องลงผ้าไปอีกคนอยู่บ้านก็แก้ผ้าก็ต้องผัดกันไปอย่างนั้น่ะเวลาไปฟังธรรมก็ไปอย่างนั้นแหละหนักหนักเข้าไปฟังธรรมมาแล้วก็อยากจะให้ทาน พราะพระเจ้าทรงปาราบเรื่องของการให้การรับความสนิทที่เหนียวนะมันมีผลอย่างนั้นอย่างนี้มีจิปาถระมากไหมท่านก็สร้างกําลังใจเห็นไหมเกิดมาเพื่อทํากําลังใจให้เต็มอย่างเดียวไอ้ภา พ, พื้นเดียวพื้นเสี่ยวพื้นเดีย ว, ย ว, ยวอย่างนั้นแหละมันไม่ทําอะไรมันเกิดอะไรได้หรอกเพราะคนอื่ก็มีเหมือนกันใช่ไหมแต่อาจจะมีดีกว่านั้นอีกแต่ของท่านมีเพียงเท่านั้นแหละ ท่านยักล้าให้ได้ให้แล้วท่านยังชื่นชมยินดีด้วยความดีว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วพระเจ้าแผ่นดินจะให้มาอีกเท่าไหร่ก็ไปถวายพระพุทธเจ้าหมดยิ่งให้ก็ยิ่งถวายยิ่งให้ก็ยิ่งถวายก็ถ้ามีควา ม, มอิ่มเอิบใจและชนะเพรกําลังใจมันเต็มแล้วทีนี้อะไรก็ถวายหมดแหละถ้ากําลังใจคนไม่เต็มเนี่ยถ้าถวายผ้ายอย่างนั้นแล้วถ้ามีผ้าไหมเก็บไหมเก็บ กูเก็บไว้ใช่ดีกว่าฮะจึงแม้ได้เข้ามหมาได้ใช่ไหมได้ฟังเก่าไปแล้วได้ความหม่มาก็เก็บนี่คือกําลังใจยังไม่เสร็จแต่ท่านไม่เก็บอะ่ะท่านยังให้ต่ออ่ะเอาไปหมดอะ่ะใบไม้จิตปิดใบพออังบังอายได้ก็โอใช้ได้นะมันชุ่มชื่นใจเนี่ยมันยิ่งกว่าอะไรซะอีกใช่ไหมความสุขที่มันเกิดจากกาลังใจที่มันทําได้มันไม่คําว่าลืมหรือว่าเลือนหายจากใจคิด ถึงเมื่อไรมันก็เกิดความปิจิชึ่มชื่น ม, มาเมื่อ น, นั้นแสดงว่าอย่างนี้ไม่มีคําว่าสิ้นไม่มีคําว่าจางหายไปจริงไหมมีแต่จะเพิ่มทวีคูณจนกว่าจะเต็มอัศรานของมันแล้วก็นิพพานถ้ากําลังใจของเชลไม่เต็มนิพพานไม่ได้หรอกเพราะถ้ากินขาดก็ไม่มีลาได้กินหรอกนะ อย่าไปรอตอนใกล้ตายนะเดี๋ยวหมามาสะจิตไปกับฉันเถอะไปอยู่กับฉันเถอะนะฉันอยากไม้รูปไปอยู่กับฉันเถอะท่านน่ารักดีนะเอาใจกับพ่อกับแม่ดีไปอยู่กับฉันเถอะเอาใจฉันบ้างนะตอนฉันเป็นหมาตอนฉันแก่ไม่มีคนเอาใจหมาสะจิตเอางั้นไหมหรือว่าสี่คนไปติดกั้งเหอะ ผมยังว่างอยู่ไปฮะนะไปลงขุมกันนะอเพื่อนข้างล่างก็รอยอยู่หนาต้นนั้นอนะ่ะขึ้นลงขึ้นลงเหงาคนเดียวไปฮนะไปอยูนเพื่อนขอเขาหน่อยให้ใครสะกิดเหมือนกันนะเอาอย่างนั้นหรืเปล่าเอาไม่เอานะ่นอยรอให้ใครสะกิดนะฮะเออเดี๋ยนหลับหับไปท่านมาสะกิดให้ใครวะเนี <laughs> ่ยน้ามันเหมือนคนมาสกิดทําไมวะเนี่ยย่งนะ แล้ววันนี้ก็จำไว้นะจำไว้ว่าทั้งหมดที่ทำอมะท่านต้องการเป็นแค่กําลังใจเต็มอย่างเดียวคําว่ากําลังใจเต็มก็คือบารมีสิบนั่นแหละเต็มแต่ผููคําว่าบารมีสิบมันฟังแล้วมันยุง่งใช่ไหมมันยุ่งเข้าใจยากกําลังใจทำํำซะอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันเต็มมันก็เต็มหมดนั่นแหละถ้าปัญญาเต็มทุกอย่างเต็มไหมเต็มถ้าเมตตาเต็มทุกอย่างเต่มไหม แต่มันกะมันเต็มอยากใดอย่างหนมันเต็มหมดแล้วแหละเพราะมันไปได้กันนะมันสร้างได้กันมันทําไปพร้อมๆกันมันไม่ได้ทําใครก่อนใครหน้าใครหลังหรอกทาไปได้กันนั่นแหละถ้าไม่มีเมตตาถึงจะมีได้ไหมไม่ได้ถ้าจิตไม่อยากเมตตาตอนนี้ปัญญาขี้กายใช่ไหมปัญญากายแล้วนะไม่เห็นประโยชน์ในการเพื่อคุณให้การให้ความรักเึ็นกันและกันใช่ไหมทีนี้คิดสร้างศัตรู เขาต้องมีปัญญาแล้วอย่างนี้นคำว่าบารมีสิบอะจะท่องก็ท่องสักตัวหนึ่งนะจะทานะจะลงมือลงไม้ทำก็ทำให่ อ, อันนี้มันเต็มนะดีไหมดีพูดดีทำดีไม่ดีไม่รู้นะพูดใ้ฟังก็ดีเออ นั้นปีนี้เขาไหวครูกันนะอ๋อเดือนเนี้ยใช่ไหมไหวครูนะสําคัญนะการไหวครูถือว่าเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของลูกศิษย์ที่จะมีการตอบสนองคุณตามดีของครูบาอาจารย์ใช่ไหมแล้วการไหวครูคราวนี้เขาไหวครูพระพุทธเจ้าแล้วก็มีใบสีซึ่งเราจะทําเองเนี่ยคงทําม่ได้อย่างเขาหรอกนะไอ้สีแล้วก็ทําใบสีกัน เธอเคยร่วมบนใบสีก็บเขาบ้างหรือเปล่านั่นน่ะสิเอไม่ฉลาด น, นะบุญที่เขาทําอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยจงจ้งเจตนาร่วมไ ป, ไปกับเขาเงินเนี่ยเราก็บอกเอาไว้ที่เนี่ย ว, ะวะัดวัชทุนเพราะว่าเงินที่วัดเขาก็ไปจ่ายค่าใบสีถข้าใจไหมแต่ว่าเธอไม่ได้ตั้งเจตนามันก็เลยไม่มีบุญส่วนนั้นเกิด มันอยู่ในเจตนาตั้งนะงั้นเจะทําทุกอย่างทําทุกอย่างร่วมกับชีวธรรมทำทุกอย่างที่พระอริยะทำทําทุกอย่างที่คนทุกคนก็ทำกันในวัดนี้ทั้งหมดเน่ะที่มีตั้งแต่อดีตปัจจุบันยานาคตก็ว่าไปนะแล้วก็นึกถึงว่ามีอะไรบ้างที่ีพิเศษโอ้เขาทาใบสีซึ่งขอบมีส่วน ร, ร่วมในการทําใบสีด้วยนะนี่ก็ทําอะไรเขาสร้างพระชั้นที่ส่วน ร, ร่วมในการสร้างพระด้นะก็ว่าไปสเก็บมาใด้หมดนะนี่เขาเรียกพระเอาด้วย เขรียกนับเอาหน่อยนะก็สร้างเครือ่องกูเอาด้วยเยอะกไม่มีเครื่องขี่นะว่าไปเนตไปอย่างนั้นนั้นแหละบาทเดียวไม่ตมากแล้วประหยัดเอาไว้ทําอย่างอื่นบ้าง <c oughs> ใช่ไหอยุคเศรษฐกิจอย่างนี้อย่าไปจ่ายมากนะทํากําลังใจให้เต็มก็มันเต็มไหมละ่ะเต็มนะเราเต็มของเราแล้วเราก็ให้อย่างเนี้ยให้เต็มหัวใจเลยนะ บาตเดียวน่ะเต็มหัวใจของเราแล้วล่ะกวดทำไมที่เหลือก็เหลือไว้ใช้ต่อเนาะสิใช่ไหมมันยังเหลือก็เก็บไว้ใช้ต่อมันยังไม่ตายยันจะใช้ต่อไปเนาะเดี๋ยวคราวหน้าทรัอีกอ่ะเดี๋ยวตอนเย็นทําอีกบาตก็ได้กลัวว่านี่คแบบืแบบอแอบๆหย่อนอีอสัก บ, บาตรก็ได้นะกลัวโดนดุงก็กว่าไม่ไรทําได้ทามันเต็มใจกันแล้วกัน แล้วก็แถมสะดอกเคาะด้วยใช่ไหมอ่าพระจิตใจดีนะใช่แต่ว่าจุดสําคัญกือว่าคือที่เราได้บรรยากาศว้ครูปีหนึ่งว้ครูครั้งหนึ่งเนี่ยสมควรนะสมควรทําขาจะมีชุดเป็นดอกไม้อะไรก็ตามแต่แต่ทือว่าใบสีเป็นของสูงแต่นั้นก็เป็นการไม่ใช่ปฏิบัติบูชาใช่ไหมอ่าแต่เราก็ปฏิบัติจิตใจก็เราเนี่ยตั้งแต่วันเนี้ยทําไปสิ จนถึงวันครูเนี่ยเราจะขอรักษาความดีของเราให้เข้มข้นแต่เรามีสินห้าปัจจุบันแค่สินห้าล้วก็ควบกรรมบทสิบเข้าไปนะแต่พี่ว่ามันยังไม่ไม่สาใจสินแปดก็ได้แต่สินแปดกดเข้าก็สินห้าอุบลิก็ได้นะน้องปู่ดูว่างั้นนะสิน้าอุกฤก็ได้ยินไหมกัฉันพูดไม่ได้ยินเหรอเนี่ย ไม่บ <g ill erel> อกได้ยินไหมตันหัวไงเอ้ยแล้วพูดไม่ได้ยินเหรอเนี่ยแล้วคุยกับใครวะตายแล้ววะ อ, อุกฤษไหมถึงว่าแข้มแข็งแต่ว่าคืทํายิ่งปาสินห้าธรรมดามันถึงว่าท่านบอกว่าเปลี่ยนข้อตามเมเป็นพรหมจันทร์ซะเท่านั้นแหละเราได้สินห้าอุกฤษเออยนี้สบายไหม แล้วรักษาพระจันย์เหมือนกันแต่ว่าห้าข้อไม่ต้องอดข้าวร้อนอดข้าวเย็นตามเวลานะก็เพิ่มเพิ่มปรามดีเข้าไปในระยะที่ก่อนจะถึงเนี่ยมันวปนที่ยี่สิบใช่ไหมวันนี้เข้าไปเป่าที่เท่าไหร่แล้ว2ปลก็สามสามใช่ไสามแล้วเนี่ยอีสิบเ็ดวันเอ้าไม่มากไปสำหรับเราหรอกใช่มะเพราะปีเราทำครั้งหนึ่งเนี่ย ทำเพื่อบูชาคุณของพระผู้เจ้าซึ่งท่านมีคนกับเรามากมายขนาดนี้ขอทํามาไซต์เต็มอัตราสักครั้งนึ่งนะเห็นเลยวันที่สาค่ะปั๊บเหมือนเดิมนะเจ้าค่ะว่าไเลยนขอเหมือนเดิมนะเจ้าค่ะเลยนะเออคืปกติแล้วทําขนาดไหนแล้วก็ลองทําเพิ่มขึ้นไปอีกหน่อยเราเคยนั่งสมาธิได้ขนาดนี้แล้วเพิ่มอีกนิดน่ะเพิ่มความดีนะ เพิ่มทำความดีแล้วสมบูรณบาสเพิ่มอีกสักสลึงนึงนะอะไรอย่างเงี้เป็นต้นนะไม่ต้องมากนะบาสสลึงนะทําเป็นการปฏิบัติบูชาจะเอาเพียงแค่เวียนเทียนไปเวียนขบนก็ได้ชุลามณีนะเวียนไปทางขีดเล่าก็ไม่ว่าหรอกถ้ากลัวเงาก็ชวนนางป้าพวกเยียนด้วยแล้ะกันเป็นจิวแถวนะเวียนไปลำไปป้อไปก็ไม่เป็นไร ตั้งบนเขไม่ว่าหรอกนะใช่ไหมได้ยีอรอบก็มีอะไรนะแตได้จะมาถือเอาแค่เวียนเปียงเป็นเรื่องสําคัญไม่พอนะเดี๋ยวจะตั้งใจรักษาสินเชียงวันนั้นก็ถือว่าท่านให้มากกว่าเราเยอะทำไมเราทําเพียงเท่านั้นล่ะปกติเราก็ทําอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าตัวตั้งเจตนาทําเพื่อบูชาคุณของครูเนี่ยเรายังไม่เกิดมีกับเราก็ตั้งใจซะเอาถ้าวันเนี้ยนะ อะไรอะไรคิตลองคิดเอาสอย่างนะบอกอันนี้ให้ครูเจ้าค่ะนั่นหนึ่งข้อนะเราจะไม่ด่าเลยเจ้าค่ะตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันนั้นจะไม่ยอมด่าเลยถ้าเขาไม่ด่าทุก่อนอ้าวก็เผื่อโผเหรอใช่ไหมแต่เขาไม่ด่าเราก็ไม่ด่าไม่เป็นไรเราจะไม่ด่าใครก่อนเลยถ้าเขาไม่ด่าเรานะก็สมัยก่อนเขายังไม่ทันด่าเราเราด่าไปแล้วใช่ไหมเออก็เอาสักหน่อยก็ใช้ได้อะไม่เป็นไรไปมาแล้วนะ แน่นอนที่สุดสุดนี้แล้วกัน คนใช้ว่าได้เดินขึ้นไปพอเดินขึ้นบันไดไปสักไม่มากนะสักตึกฝั่งขั้นแล้วก็ต่ออีกตึกฝั่งขั้นนะก็เลี้ยวซ้ายมือเข้าไปเด็กๆบอกว่าตรงนี้ครับที่ที่ผมมาตรวจก็ได้เดินเข้าไปมันก็เป็นเดินลงไปข้างล่างเป็นถ้ำข้างบนนี้ก็มีนะแต่มันน้อยมันไม่มาเป็นถ้าเป็นถ้ำเล็ก ก็ขายรถปแค่ไม่ได้ขึ้นไปหรอกก็เป็นแค่แคล้ายๆเป็นว่างๆหน่อยนี่นะมีนิดๆหน่อยๆไม่มากนะักแต่ที่เข้าไปข้างในเนี่ยลึกมากเดินลุยเข้าไปข้างในอ่ะพอช่อมตัวเราเดินได้บ้างอะไรบ้างนีก็คามเข้าไปนะเลื่องจีวรพันต้องเข้าไปในหัวจนปึ้งๆเลยก็เข้าไ ป, า ป, ปาเไปลึกมันมืดก็บอกเด็กหยุดเท่านี้แหละ ไม่ต้งเข้าไปอีกรอบเข้าไปอกีก ไ, ไกลลึกิโลลึกมากก็เดาเอาว่าเข้าไปข้างในก็จะเป็นท้องพะลงใหญ่ๆแต่มีทางไหนายทาท้องพลงใหญ่ๆก็จะมีปร่องขึ้นไปข้างบนคล้ายๆมันเป็นภูเขาไฟเก่าอากาศแห่เทก็จะดีแต่ตอนเข้าไปเนี่ยมันจะมีร่องน้ําข้างล่างบ้างอะไรบ้างเจเอเจจะแฉะเป็นดินเป็นอะไรบ้างนะ ไปไกลแต่ที่แปลกก็คือเห็นสายไฟสองเส้นก็ต่อเข้าไปข้างในก็แสดงว่ามีคนเนี่เขาเอาอไฟเข้าไปข้างในลึกๆข้างในมันคงจะมีอะไรอีกแต่เวลามันน้อยก็เลยบอกเด็กหิุเท่าเนี้แล้วก็เลยบกสวนก็มันนึกถึงหลวงพ่อตาทีลฟังเอกี้เนี่ย น, นะก็หน่อยปฏิปทาขององค์ท่านเนี่ย เป็นเรื่องที่น่าแปลกแต่ว่าหาคนที่ปฏิบัติอย่างท่านถ้าใครทําได้ก็คือว่าเยี่ยมมากผู้ที่สละทั้งหมดนะขนาดเมืองแตกอย่างนั้นท่านย่างสละชีวิตออกมามีจํานวนไพ่คนไม่กี่ไม่กี่ร้อยคนนะก็ยังใช้กําลังใจอดอดยากหยาดเนี่ยมันไม่ใช่จะมีกินแล้วนะมันก็ลําบาก มีทหารคู่ใจมาบ้างแล้วก็ได้สมทบกับคนอื่นบ้างจนรวมแล้วไทยพลก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นไปตีเขา ก, กตาะนะ็ตีคนไทยด้วยกันใช่ไหมยังไม่ได้ไปตีพม่าเตีคนไทยด้วยกันไอ้พม่ามันก็ตามมาตามมาก็ต้องตีมันไปพอมันถอยไปก็ต้องลุกตามไปหาสะเบียงหาผู้คนหาอิจิปัตหขึ้นมาใหม่เพื่อจะเริ่ม กำลังให้กว้างให้มันมากขึ้นก็ใช้เวลาหนาน้อทุควรระยะเวลาอย่างนั้นเือลองนึกความรู้สึก ข, ของท่านสิหากท่านท้อเนี่ยแผ่นดินตรงเนี้ไม่เกิดจริงไหมลูกหากพระองค์ทรงทอใจไม่เกิดมีพระ อ, องค์พระ อ, องค์เดียวเท่านั้นแ่ะที่เป็นผู้นำท่านองค์อื่นก็เป็นผู้ตาบใช่ไหมมาทรงชี้ยังไงก็ตัดสินใจเป็นอย่างนั้น ทำนะทำนะต้องทำตายก็คือตายจะใช้คำว่าไม่กลัวไม่ได้ก็ต้องเปี่ยนกับชีวิตมานับครั้งไม่ถ้วนกว่าจะเริ่มก่อเป็นกองทัพกว่าจะเอาสเสบียงท่านก็ตั้งติทิ์ต่อกับสําเพอทางเมืองจีนใช่ไม่มไปเอาเงินเข้ามาไปกู้เงินเข้ามาที่เมืองจันตอนที่อยู่ในจันทจันทร์เชอร์ินก็มีสําเพอจีนมา ก็เริ่มที่จะให้ผู้ที่ดีเป็นเจ้าเมืองหนืออะไรเี่เติดต่อเนี่ยเริ่มที่จะกู่เงินเริ่มที่จะซื้อเอาของมาเอาอีประส ม, มาผลตะเบียง ม, มาจิบก็ต่อกันเพื่อจะว่าจะขนลงเรือสร้างเรือเอาเรือแล้วก็ขนทั้งตะเบียงขนทั้งของขนทั้งอาวุธแล้วก็เงินร่องร่องเรือมาเข้าทางเอ่อ ทางทองอะไรสมุทรสาครน่ยนะสมุทรสาการก็ว่ามาเรื่อะลุมาถึงคนลบุรี